ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่พระองค์ตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาอาวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดรูปที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่า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 รู้ชัดวิญญาณที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาภิกษุนี้เราเรียกว่าวิชาและด้วยเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาสมุทัยธรรมสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยะสมุทยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสูตรที่สอง7 ส, สมัยหนึ่งพระสารีบุตรและท่านพระมหากดิตตะอยู่นับป่าอิสิปตนะมรุกขทยวันเขตกรุงพลรณสีครั้งนั้นท่านพระมหากดทิตตะออกจากที่หลีกริ้นในเวลาเยน็น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 ตติยสมุทยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสูตรที่สามรอยสปสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกธิตะอยู่ณป่าอิสิปตนมรุคทยวันเขตกรุงพราณาสีท่านพระมหาโกธิตะนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า ท่านสารีบุตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับ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 วิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาตติยะสมุทธยธรรมสูตรที่สามจบ 4. อัสธาสูตรว่าด้วยคุณของขันร้อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพารณสีเหมือนกัน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 บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาอสาทสูตรที่สี่จบ 5. ทุติยะอสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันสูตรที่สองรสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพราณสีเหมือนกันท่านพระมหากรทิตะนั่งณที่สมควร ได้ถามพระสาริบุตรดังนี้ว่าท่านสาริบุตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาท่านพระสาริบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุพระอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับรู้ชัดคนโทษ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 หกทุติยสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งขันร้อเอเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพลาณาสีเหมือนกันท่านพระมหากดทิตะนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุอุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริง ท่านผู้มีอายุมีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาสมุทธยสูตรที่หจบเจ็ดทุติยสมุทธยสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งขันสูตรที่สองรสาสอง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 วิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาทุติยสมุทธยะสูตรที่เจ็จบ 8. โกธิตะสูตรว่าด้วยพระโกติตะร3 3สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกติตะ อยู่นัาป่าอิสิปตนามรุทัยวันเขตกรุงพลรณสีครั้งนั้นท่านภาษารีบุรออกจากผลสมาบัติในเวลาเย็นนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหากโกติตะดังนี้ว่าท่านโกติตาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอวิชาอวิชาอวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ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 นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาโกติตาสูตรที่8จบ 9. กทุติยากโกติตะสูตรว่าด้วยพระโกติตะสูตรที่สองรอสาส เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีเหมือนกันท่านพระสารีบุตรนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหาโกติตะดังนี้ว่าท่านโกติตาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชาาวชาอาวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไร่หนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาท่านพระมหาโกติตะตอบว่า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 และด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาเมื่อท่านพระโกติตาตอบอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่าท่านโกติตาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไร่บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาท่านพระโกติตาตอบว่า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 วิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาทุติยโกธิตสูตรที่เก้าจบสิบตติยโกธิตะสูต ร, 9, ตตตตรว่าด้วยพระโกธิตะสูตรที่สามร้อยสามสิบห้าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพราณาสีเหมือนกัน ท่านระษารีบุตรนั่งหน้าที่สมควรได้ถามท่านพระมหากติตตะดังนี้ว่าท่านกดิตตะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาท่านพระมหากติตะตอบว่าท่านผู้มีอายุปุตชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ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 นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาเมื่อท่านพระมหากดทิตะตอบอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่าท่านโกติตตที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่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 รู้ชัดความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดปฏิปตาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาตัติยากโตริตะสูตรที่สิบจบอวิชชาวักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่ง สมุททยธรรมสูตร 2. ทุติยะสมุททยธรรมสูตร 3. ตติยะสมุทธิยะธรรมสูตร 4. อัาธสูตร 5. ทุติยะอสาธสูตร 6. สมุททยสูตร 7. ทุติยะสมุททยสูตร 8. โกทิตะสูตร 9. ทุติยะโกทิตะสูตรสิบ ต, ตัทยาโกติตะสูตร